วันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องความไม่รู้ในนิโรธคือความรับทุกข์มาโดยลำดับนิโรธคือความรับทุกข์นั้นเมื่อกล่าวโดยปริยายสูงสุดคือในญาติสูงสุด ก็ได้ก า, การดับกิเลสได้ดับทุกอย่างสิ้นเชิงของประหันต์ทั้งหลายต่ธรรมาที่ทรงแสดงไว้นั้นจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดที่นำคนก้าวเดินไปโดยํำดับก็ก่กอให้เกิดการดับกิเลสดับความทุกข์ขึ้นไปโดยดำดับ ซึ่งก็หมายความว่าผลจากการปฏิบัติที่ยุติโดยหลักซึ่งพระเจ้าทรงแสดงไว้นั้นกิเลสภายในใจของคนจะลดน้อยลงปริมาณธรรมะก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็จะลดน้อยลงความสุขก็จะเพิ่มภูนขึ้นจนกลายเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีความเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเหล่านี้ท่านเรียกผู้ มันรู้ว่าเป็นขีณาสุคือมีอาสวะหมดไปจากจิตใจแล้วเรียกชื่อว่าอารักังหรือพระอารักันซึ่งหมายถึงท่านที่มีคุณสมบัติหลักอยู่ถึงสี่ห้าประการด้วยกันนั่นในการปฏิบัติจึงส่งแสดงไว้ในรูปให้ทำตามลำดำับ การทำนั้นทั้งในส่วนกว้างและก็ในส่วนลึกเช่นการดับกิเลสที่รุนแรงซึ่งออกมาทางกายทางวาจาระดับศีลก็ทรงสอนศีลไว้ทั้งแนวกว้างและแนวลึกแนวกว้างนั้นเป็นการขยายปริมาณศีลเป็นข้อๆอ อ, ออกไปที่จริงก็เริ่มมาจากแต่ละสิกขาบท คำศีกขบทก็คือ9้าหรือขั้นของการศึกษาให้บุคคลใช้ศรัทธาบ้างใช้ปัญญาบ้างหรือใช้ได้ทั้งสองอย่างก็จะเป็นการดีมองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นคุณค่าของการมีศีลกรอบด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าเป็นการน้อมนําจิตใจเชื่อมั่นในไตรศกขาคือศีลสมาธิปัญญา แล้วตั้งใจศึกษาสมาทานแลวการสมาทานสีนั้นสะส่งแสดงถ้าเรามองโดยนัยยะกวา้วางๆก็จะพบวา่วามไม่ได้เน้นไปที่สีห้าเพียงอย่างเดียวเสมอไปบางครั้งเป็นการพูดเป็นข้อๆไปหมายความว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเอาก็ทีเดียวตั้งห้าข้อก็คงทำไม่ได้ ก็จะสณนแนวการปฏิบัติเพียงข้อเดียวและจากข้อเดียวเหล่านั้นจะสอนในแนวลึกลงไปตามลำดับซึ่งหมายความว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของบุคคลในประนีตขึ้นมีเหตุผลมีสติสมรจัญญาในการควบคุมการกระทำการพูดความคิดของตอนเองมากยิ่งขึ้น เราดูจำนวนข้อที่ท่านตั้งใจรักษาสมาทานแล้วคล้ายๆจะไม่มากแต่แท้จริงแล้วโดวยพื้นจิตที่มีธรรมะเป็นเรือนใจก็สามารถตัดสินวินิจฉัยการคิดการทำการพูดในแต่ละขณะได้ก็ทำให้ท่านงดเว้นได้และประพฤติปฏิบัติได้ ในยกตัวอย่างเช่นสอนเรื่องการไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันในส่วนของร่างกายถ้าสอนในแนวกว้างก็จะสอนไปโดยลําดับเจนว่าการฆ่ามนุษย์งดเว้นจากการฆ่ามนุษย์ก่อนต่อมาก็งดเว้นจากการฆ่าอามนุษย์เว้นจากการฆ่าสัตว์ดิเรกชัน กฎเว้นจากการประทุษร้ายกันด้วยมือด้วยไม้พรองด้วยสตราด้วยอาวุธทั้งหลายในกรณีนี้ไม่ถึงกับตายแต่ว่าเป็นการประทุษร้ายให้เกิดความบาดเจ็บกฎเว้นจากการทรมานสัตว์การประจนสัตว์การทรกรรมสัตว์โดยวยธีการาต่าง เราจะเห็นว่าจิตใจเริ่มเจตสากลไปในคนในสัตว์ทั้งหลายโดยลำดับในชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติสำรวมระวังระดับศีลและในความเป็นศีลนั่นเองเมื่อเรามองในแนวของการวิรัตงดเว้นก็ทรงจำแนกไว้เป็นสามประเภทด้วยกัน รประเภแรกก็คือสมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการสมาทานเช่นการรับศีลของท่านสาธุชนทั้งหลายนี้ก็ถือว่าเป็นสมาทานวิรัตเป็นพันธะสัญญาทางใจที่ตนได้เปลง่ปลงวาจะปฏิญาณต่อหน้าพระสงฆ์หรือเพื่อนอุบากบาศิกาด้วยกันว่าจะสมาทานรักษาศีลจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีสัจจะ ปติญญาเป็นเรือนใจคุ้งครองใจเพราะสมาทานไปแล้วก็ไม่มีใครตามไปควบคุมดูแลแรักษาได้หรือไม่ได้เป็นการควบคุมดูแลโดยการรักษาสัจจะตนเองการปฏิบัติในแนวนี้เมื่อขยายเป็นแนวกว้างลงไปโดยลำดับมันก็จะมีประเภทของคนของสัตว์ประเภทของอาการกริยาที่ส ง, งบลงไป ไ้ถามว่าอยู่ในโครงสร้างอะไรก็อยู่ในโครงสร้างของการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำลายการไม่กล่าวร้ายก็ประนีตขึ้นไปการไม่ทํหลายก็ประนีตขึ้นไปจนแม้แต่เงื้อมือจะทุบตีเขาก็ไม่ทำชี้หน้าด้วยความอาฆาตมากายก็ไม่ทำมองด้วยความโกรธเกรี้ยวก็ไม่ทำ แสดงอาการกริยาให้ค น, คนอื่นก็เห็นว่าไม่เราไม่ชอบใจก็ไม่ทำแต่กว่าจะเดินไปถึงขั้นนั้นได้จริงๆก็เป็นเรื่องขัดเกลาร์ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้าง6ล้ม6ลุกกันไปเรื่อยๆก็ค่อยๆประนีตไปโดย ด, ดํารักแต่นั้นจึงทรงสอนในแนวที่ให้ชําระศีลมีการตรวจสอบศีล เราจะศีลจุดนี้เองเรามองในรูปขององค์ศีลถ้ามีความผิดพลาดบกพร่องเราก็สมาทานใหม่ถ้าเป็นพระก็แสดงอบัตก็เป็นการตรวจสอบดยตัวเองจะไม่ได้ปล่อยคนอื่นมาตรวจสอบและจุดนี้เองก็จะขยายขึ้นไปเป็นศีลานุสติคือไม่ได้มองศีลในขณะนั้นนั้นแต่มองศีลอยอนอดีต เช่นตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงก่อนจะนอนในตอนกลางคืนก็ตรวจสอบดูว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเรามีการประพฤติกระทําอะไรบ้างที่เป็นเหตุละเมิดศีลรือทําให้ศีลบกพร่องไปตรวจสอบทบทวนกลับไปกลับมาลองระลึกดูถ้าเจอความผิดพลาดบกพร่องก็ตั้งใจสมาทานใหม่สัมรวมระวังใหม่ ถ้าเห็นศีลมีความถูกต้องสมบูรณ์มีความประนีตขึ้นมีความไม่สุดขึ้นเดี๋ยวก็เกิดปีติปราโมทพอเกิดปีติปราโมทนั้นจิตมันก็เดินเดินไปทางไหนเดินไปทางโชชรชงองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมสูงขึ้นไปอาการที่ระลึกนั้นก็คืออาการของสติการวิเคราะห์สวจสอบ ทบทวนหน้าทบทวนหลังดูแล้ว ด, ด, ดูอีกซ้ำๆ้ซักๆแก่เรียวกว่าเป็นธรรมวิจัยการกระทาทั้งสองอย่างนี้ที่ต่อเนื่องได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามพอเห็นผลเป็นความดีงามของศีลปรากฏภายในจิตตัวเองใจมันก็เกิดปีติมีความเอบอบิ่มปรากฏขึ้นภายในใจมีความสุขใจมีความภาคภูมิใจ ใส่จแล้วใจจะสงบก็เป็นปัจธุที่แปลว่าสงบกายสงบปัาจจัสงบใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องเดือดร้อนใจใจมันก็เดินเข้าไปสู่สมาธิคือจิตตั้งมั่นไม่แข่งไม่ซัดไม่ใสแล้วจิมึงจะเดินไปเรื่อยๆจนเข้าไปในสิ่งที่ท่านเรียกว่าจาย ข้อนี้เดินสาชนตลาดใหว่ตรงนี้ที่จริงเรื่องศีลข้อเดียวเราจะพะข้อปฏิบัติข้อเดียวซึ่งเกิดขึ้นมาจากการสมาทานแต่ในขณะเดียวกันในจุดนี้มันก็มีการสมาทานอีกแนวหนึ่งที่ทรงใช้คำว่า ส, สมุจเจทวิรัตคือตัดขาดคำว่าตัดขาดนั้นมีสองในยะด้วยกันในยะหนึ่งก็ตัดขาดเป็นจุดๆไปเรื่อย แล้วทรงเรียงไว้ตั้งแต่ระดับศีลไปเหมือนกันเพราะเช่นว่าการไม่ค่าคนตลอดชีวิตการไม่ค่าอมนุษย์ตลอดชีวิตการไม่ค่าสัตว์มีคุณตลอดชีวิตการไม่ค่าสัตว์ใหญ่ตลอดชีวิตแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนแม้แต่ใช้บุคคลอื่นค่า หรือมีความพอใจยินดีที่เห็นการฆ่ารู้สึกสะใจรู้สึกมันที่มีคนซึ่งเราไม่ชอบถูกฆ่าก็เป็นการตัดไปโดยลำดับเราจเจนว่าตัดขาดระดับกายคือการกระทำของตัวเองตัดขาดระดับวาจาคือการใช้บุคคลอื่นและตัดขาดระดับใจ หมความว่าใจเราไม่มีความชื่นชมยินดีพอใจในการฆ่าและไม่ยกย่องคนที่มีการฆ่าตีถ้าเดินไปอีกจังหวะหนึ่งคือใจมันเดินไม่ได้ไกลกว่านั้นใจก็มีความเมตตาเอ็นดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายตรงนี้ก็กลายมาเป็นธรรมะพอเป็นธรรมะแล้วมันก็แผ่รังสี คือไม่ได้อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วพอเป็นธรรมะนั้นจะ ก, กระจายตัวเองแล้วทั้งเราจะเห็นว่าพระเราเมตตาในตัวบุคคลเช่นเมตตานายกนางขอการบรรทุสร้ายร่างกายคนเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้การใช้บุคคลอื่นประทุสร้ายก็เกิดขึ้นไม่ได้ การตั้งใจปรารถนาที่จะเห็นคนเหล่านั้นถูกประทุษร้ายก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจเรามีเมตาเตาเมตตานั้นได้ทํหนติก็จัดพยาบาทขระจัดความโกรธกรจัดความสนีกรจัดความโลภขราจัดได้ไปเรื่อยๆจนถึงแม้กามราคา่ะการจะเข้าใจสภาวธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นนี้ ผู้ปฏิบัติจะต้องสวจสอบดูที่จิตปพราะทิว่าจิตเรามีเมตตานั้นหรือยังมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทบุคคลเหล่านั้นอยู่หรือไม่ถ้ามีก็แสดงว่าเมตตาอย่างไม่มีกำลังมากพอและในขณะเดียวกันเรามีความเสียดายมีความหวงแขนสิ่งที่เราจะต้องให้จะต้องสงเคราะห์แก่ บ, บุคคลนั้นหรือไม่ ถ้ายังมีก็หมายความเมตตาอย่างไม่กล้าแข็งพอพอเมตตากล้าแข็งพอแล้วเมตตาจะเกิดจิตที่คิดอนุเคราะห์ตามแนวโครงสร้างที่ทรงสอนให้เราพิจารณาแผ่พรมิหารในสัตว์ทั้งหลายเทวดาสเป ส, สตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประัสรายะกัน เราต้องการจะเห็นชีวิตแต่และชีวิตนั้นอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของเขาและสําหรับคนที่เราไม่ตาเราไม่สนิทและแม้ความรู้สึกในทํานองราคะคือการมาราคะประกาที่เราไม่ตาก็ไม่เกิดขึด้นเหมือนพ่อแม่เหมือนปู่ย่าตายายมันญาติปู่ใหญ่ ที่มองดูอนุชนของตนเองด้วยจิตเมตตาไมท่ที่ไม่เจือด้วยราค่ะถึงหมายความว่าพลานุภาพของเมตตานั้นก็แผ่เป็นธรรมรังสีขจัดถึงมาจับติคนได้เมตตาติคนได้ใจมันก็เดินต่อไปจะมีการสํารวมระวังเมื่อเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบุคคลดอกนั้น ตอนนี้ท่านสาชนทั้งหลา ย, ยมีประสบการณ์ทางใจด้วยตัวเองเช่นว่าคนที่เรารู้สึกรักเมตตาสงสารเขาวางทรัพย์สินที่มีค่าเอาไว้มองซ้ายมองขวาแล้วแม้จะไม่เห็นใครเลยถ้าเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่แน่ใจอาจจะแกว่งแต่พอเป็นทรัพย์สินของคนที่เราเมตตาเราเกิดจิตเมตตาเพิ่มขึ้น เกิดกรุณาสงสารเขาที่วางทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาชิงไว้ก็ต้องรีบเก็บรักษาเอาไว้หรือนําไปส่งให้เขาในขณะนั้นนั้นแสดงเห็นว่าใจที่กรอบโดยเมตตานั้นเองมันไปเกิดคุ้มครองป้องกันทรัพย์สมบัติของเขาและบางระดับเราก็ให้เขาพอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างเดียวกัน คือแทนที่จะคิดในธรรมนองร่วงเกิดเดีจะคิดในธรรมนองอภิบาลเป็นการมองด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อคู่ครองของเขาที่สืบเนื่องมาจากการมองเขาเวลาพูดจาอะไรกับเขาก็จะพูดจาที่เป็นคำสัต์คำจริงเพราะจิตคิดนอนเคราะห์ต่อเขาจิตมันก็เดินไปเองนั้นแสดงเห็นว่าถ้าเกิดสมุดเฉดได้สักข้อหนึ่ง คือตัดขาดได้สักข้อหนึ่งแล้วจิตเดินลึกในระดับของธรรมะถึงชั้นที่สี่ถึงชั้นที่ทำจิตได้มีเมตตาต่อคนต่อคนเหล่านั้นได้ศีลเป็นจำนวนมากมันก็เกิดขึ้นได้เองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องนับเป็นข้อว่อาะจะมีสักกี่ข้อ เพราะงั้นแนวของสมุดเจตวิรัตคือการตัดขาดจะนพูดถึงไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตไม่ขันดาตลอดชีวิตไม่ล่วงเกินคู่ครองก็ดดื่นตลอดชีวิตเป็นต้นไปละอย่างแต่ละอย่า ง, างก็ถือว่าเป็นสมุดเจตวิรัตในฐานะนั้นนั้นอีกแนวหนึ่งเป็นระดับสติสัมปชัญญะที่เป็นฐานใจ แม้เราจะไม่สมาทานศีลมาก่อนไม่ละทิฐานศีลมาก่อนก็ตามแต่พอมีเหตุที่น่าจะละเมิดศีลแต่ว่าใจิตใจมีความอ่อนไหวมันก็ละเมิดศีลได้ไง่ายเราเห็นว่าการละเมิดศีลเนี่ยสถานที่รับโอกาสมีปัจจัยต่างๆเข้ามากระตุ้นโอกาสละเมิดมันเกิดขึ้นได้ไง่าย มันก็กลายเป็นบางครั้งบางคราวเราประพฤติปฏิบัติดีมาเป็นเวลาห ล, หลายปีชัว่ววูบเดียวของอารมณ์มันก็ผิดศีลได้แล้วขาดศีลได้แล้วหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียรุนแรงได้แล้วเพราะในการในโอกาสเช่นนั้นถ้าใจิตใจไม่กล้าแข็งพอขาดสติสัพจัญญะหรือมีไม่พอใช้ โอกาสที่จะทำอะไรผิดๆในที่รับรับตาคนมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่แนวศีลที่จริงเป็นแนวคุมตัวเองที่ทรงใช้คำว่าวินโยจะสุสิกิโตคือมีวินัยในตัวเองให้ลองสังเกตว่าระดับสมาทานก็ดีระดับตัดขาดก็ดีไม่ไม่ด้มีใครตามไปคุมไม่มีใครตามไปสอดส่องดูแล แม้แต่คนที่บวชเป็นพระภิกษุสา ม, มนเณรมันก็มีแนวนั้นครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่อธิบายชี้แจงให้เกิดความเข้าใจว่าปฏิบัติยังไงถูกปฏิบัติยังไงไม่ถูกแล้วตั้งก็อยู่โดยลำพังก็งงท่านไม่มีใครตามไปจําจี้จำใช้ไม่มีใครตามไปควบคุมดูแลว่าปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพราะแนวตรงนี้ทําให้คนสามารถคุ้มครองตัวเองได้ทั้งในที่รับและในชี้แจง้ง พระหันทั้งหลายมีคุณสมบัติพิเศษที่ท่านกล่กาวว่าไม่ทำบาปแม้ในที่รับคือไม่ต้องพูดถึงในที่แจ้งไอ้ที่แจ้งไม่ทำแล้วแต่ที่รับไม่แน่คนเราต้องจิตใจอ่อนไหวแล้วมัอาจจะทาคุณสมบัติของพระหันจึงไม่ทำบาปแม้แต่ในที่รับซึงมหมายความว่าไม่ทาบาปด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงก็ตาม นั่นคือโครงสร้างที่เป็นแม่บทเป็นหลักการแเราก็มองสอบทานจากพระอระหันต์ทั้งหลายจากพระยะบุคคลทั้งหลายแล้ดูปฏิปทาของเราว่ามันสอดคล้องกับปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือไม่ถ้าอยู่ระดับนี้ได้มันก็ถือว่าสอดคล้องในสถานะหนึ่งตรงนี้จะเรียกว่าสัมปัตตวิรัต แม้ความเกิดงดเว้นขึ้นมาเกิดทีริอตรัตปะเกิดสติสัมปัญญาอะไรก็ตามขึ้นมาในขณะนั้นวินิชัยตัดสินสั่งการทันทีอันนี้ควรงดเว้นไม่ควรประพฤติปฏิบัติแม้การโอกาสเงื่อนไขปัจจัยต่างๆจะเอื้อมำนวยให้ก็ตา่างเช่นสมมติว่าไปเจอทรัพย์สินเงินทองของคนที่เราไม่รู้จักไม่รู้ว่าของใครก็จิ้งไวจานวนมาก แม่มองซ้ายมองขวาจะไม่เห็นใครอยู่เลยแต่ความอยากที่จะได้ความอยากที่จะได้อาจจะเกิดเพราะว่าความอยากที่จริงไม่ใช่ผิดศีลเป็นผิดระดับธรรมะเขาเรียกร ะ, ระดับพโนทุจริตรศีลเป็นรระดับกายทุจริต ร, ระดับวจีทุจริตคือถ้าถ้าผิดศีลก็ถือว่าเป็นทุจริตรทางกายกับทางวาจา แต่กุศลเจตนาที่ผุดขึ้นภายในใจในขณะนั้นก็เกิดการยับยั้งชั่งใจวินิจฉัยแล้วก็งดเว้นมาให้เกิดการล่วงละเมิดสิ่งที่เรียกว่าผิดศีล ท, ทั้งๆที่ในขณะนั้นที่ยิงตนเพืยังไม่ได้มาทานศีลอะไรตรงนี้แต่้งหลักมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่ามโนธรรมสํานึก เราสกัดกั้นความอยากเหล่านั้นเอาไว้ด้วยสติก็ได้แต่ยสัมจัญญะก็ได้ด้วยหิริก็ได้ด้วยอัตตะก็ได้ก็ที่จริงถ้าได้ตะข้อ ย, อย่างอื่นก็เกิดตามมาเช่นนี้ของการละอายบาปมันรู้สึกละอายบาปที่จะทําอย่างนี้เหมือนกับที่ท่านเล่าถึงเรื่องจักกะอุบาสกตัวเองไม่ได้สมาทานคําว่าอุบาสกนั้นเป็นคําเรียกทีหลัง หมอเข้ามารักษาโรคให้มดาดามจะมีข้อแม้ว่ายาที่จะใช้ประกอบ เ, อเครื่องเครื่องปรุงที่ใช้ประกอบยานั้นมันต้องผสมกับเลือดของกระต่ายสดๆซึ่งหมายความว่าการจะได้เลือดอย่างนั้นมันก็ต้องฆ่ากระต่ายสดๆกดใส่เลือดก็ไปเลยพี่ชายก็สั่งน้องชายให้ไปจับ ก, กระต่ายเพื่อจะเอามาเป็นเครื่องกระซายยา แกก็จับได้จริงๆแต่เห็นอาการของกระต่ายที่ร้องด้วยความตกใจแววตาที่หวาดกลัวความดิ้นรนเพื่อจะหนีภัยอันตรายความตื่นตระหนกของกระต่ายตัวอื่นๆทําให้เกิดความคิดประการได้ชีวิตของมารดาเราแต่ว่าต้องเสียชีวิตของบุคคลอื่นในขณะที่สัตว์อื่นเขาก็มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูง เราต้องการจะให้แม่เราอยู่กับตัวเราแต่ก็ไปฆ่าลูกคนอื่นไปฆ่าพี่น้องของบุคคลอื่นไปทำลายชีวิตของบุคคลอื่นเป็นการที่ไม่สมควรอย่างยิ่งก็จุดแล้วก็ค่อยปล่อยกระต่ายไปด้วยความสงสารด้วยความเข้าใจแล้วมาตั้งสัตยาธิษฐาน ว่าคอยมามนดาของตอนเองได้หายไปด้วยบุญกุศลที่ตนกระทำเอาไว้แล้วก็บุญกุศลของมานดาเองแล้วปรากฏว่าก็เป็นน่าสัจจันที่มารดาก็หายจากโรคโดยไม่ต้องใช้เลือดกระต่ายนี่แสดงเห็นว่าความคิดตรงนี้มันเกิดมาจากคีริเกิดมาจากสติเกิดมาจากสมัมจัยยะเกิดมาจากอุตรปะในตรงนี้จะต้องมีฐานความเชื่อหรือความรู้เรื่องอะไรอยู่เบื้องหลังด้วย นั่นก็คือการเข้าใจในกระแสของกรรมแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของสังสารวัฏอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าที่รับในการกระทําบาปไม่มีอันที่จริงที่รับในการทําบุญก็ไม่มีเพียงแตว่ว่าไม่จะเป็นต้องพูดเรื่องเรื่องที่รับในการทําบุญแต่นั่นเองเพราะทําบุญตามปกติแล้วคนชอบทําต่อหน้าก็ไม่จํา ไม่ชอบทำในที่ลับทำานที่รับเป็นส่วนมากเพืเป็นการกระทําบาปต่ทรงแสดงเห็นว่าที่ลับทั้งการทําบุญทําบาปที่จริงไม่มีทำต้นไหนก็ตามถ้าเป็นบาปก็คือบาปถ้าเป็นบุญก็คือบุญถ้าคนเชื่อในกฎของกรรมมันก็พร้อมที่จะงดเว้นบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง เพถือว่าบาปที่ตนทําไว้นั้นจะอํานวยผลเป็นความทุกข์และตนเองจะเป็นเจ้าของผลเหล่านั้นเองตนเองเป็นเจ้าของกรรมตนเองเป็นเจ้าของผลและผลกรรมเหล่านั้นก็จะติดตามตรดไปเพราะฉนั้นก็ปฏิบัติสํารวมระวังคืองดเว้นไม่กระ ท, ทาทั้งในที่ลับแล้วก็ในที่แจง้งนั้นแสดงเห็นว่า นอกจากความเชื่อในกฎของกรรมแล้วจะต้องมีความเชื่อในสังสารวัฏอยางที่ท่านแสดงไว้ว่าพิริคือความละอายต่อบาปโอตระปะความสะดุ้งโกรวต่อบาปมันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันแต่ละอย่างนั้นเป็นมโนธรรมสำนึกเป็นจิตสำนึกที่แยกคนกษัตริย์ออกไปชัดเจนคือความมีริ อ, อตรปะปกับความไม่มีริอโอตรปะป แม่กรรมบางอย่างซึ่งเรียกว่ากรรมจะต้องทำในที่ลับก็ เ, เป็นธรรมชาติของคนของสัตว์แต่สัตว์นั้นจะไม่สนใจที่ลับหรือแจง้งแต่มนุษย์นั้นก็จะทำากรรมแล้วษนาดนั้นในที่ลับซึ่งหมายความในขณะนั้นก็มีฮิริมีความละอายแก่ใจมีความละอายต่อบาปซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องความละอายแก่ใจ ก็ตั้งใจสำรวจระหว่างในจุดนั้นเพราะนีิจึงเกิดขึ้นจากชาติตระกุลที่มีการฝึกปรืออบรมบ่มเพาะสร้างลักษณะนิสัยการมาตั้งแต่เล็กๆแต่หมายความว่าเป็นผู้มีพื้นฐานของคุณธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจสำนวนธรรมะท่านเรียกว่าสัตว์ที่เกิดในตรายเหตุหมายความว่า ปฏิสนธิด้วยจิต ท, ที่ผ่องแผ้วไม่มีความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงเกิดมาก็มีพื้นฐานของคุณธรรมหลนนิยมภายในใจเราก็เห็นแววก็เด็กก็มีแววมาตั้งแต่เด็กๆได้กเกิดจากวัยที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการศึกษาที่พัฒนาจิตสํานึกให้มีความสงบปานิชขึ้นแล้วจิตใจมีความกล้าหาญเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันโอดตระปะเองก็เกิดขึ้นมาจากความกรัวว่าทำไปแล้วแม้ตนเองก็จะติดเตียนตนเองได้หรือบางครั้งตนเองไม่ยอมติดเตียนตนเองเพราะเห็นแก่ตัวผู้รู้ใร่กล้วรแล้วก็อาจจะติดเตียนได้เราทาไปแล้วอาจจะถูกจับกลุมคุมขังไปลงโทษได้แต่ประเด็นที่สําคัญว่าทําไปแล้วนั้นตนเองจะต้องชดใช้ผล คือกอให้เกิดการกลัวภัยในในรกการกลัวภัยในรกจึงกลายเป็นหลักข้ามยันใจที่จะช่วยให้คนงดเว้นบาปได้ทั้งในที่รับและในที่แจ้งดังในจุดนี้ก็เข้าใกล้คุณสมบัติของพระอหันต์เข้าไปในยะที่เรียกว่าไม่ทําบาปแม้ในทิ่รับดังนั้หมายความเราก็เดินตามรอยเท้าพระอรหันต์ทั้งหลาย เราทำได้ถึงจุดนั้นก็แสดงว่าใกล้เข้าไปนี่ก็เป็นการตัดขาดในแนวของศีลในระดับของศีลหมายความว่าอาจจะเป็นข้อข้อแล้วกยายวงกว้างในข้อนั้นออกไปหรืออาจจะเป็นข้อข้อนั้นแหละแต่ว่าเจาะลงไปในแนวลึกคือจิตมันสงบไปเรื่อย แม้แต่ความคิดจะฆ่าหรือความอยากจะเห็นการฆ่ามันก็ไม่เกิดขึ้นภายในใจแต่มีความคิดที่มุ่งปรียนเกื้อกูลแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็กลายเป็นพัฒนาการทางจิตที่ไปส ง, งบกามฉันส ง, งบพยาบาทส ง, งบวิจิกิจฉาต่างๆเป็นต้นก็แสดงว่าใจมีพลานุภาพของสมาธิเพิ่มขึนเป็นการเปิดโอกาสให ทำสมาธิได้ส ง, งบและรวดเร็วเพิ่มขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป